ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งรหนึ่งเรื่องมหาธนาวานิชภาคที่หเรื่องที่เจดของวรกที่เก้าป้าปวักวันานาข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารพพ่อค้ามีทรั์มากตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าวานิชโชวะพยังมะคังเป็นต้น ตอนพ่อค้านิมนต์ภิกษุห0 0เดินทางร่วมหลังได้สดับมาพวกโจร500้คนสแสวงหาช่องในเรือนของพ่อค้านั้นไม่ได้ช่องแล้วโดยสมัยอื่นพ่อค้านั้นบรรทุกเกวียนห้า้อยเล่มให้เต็มด้วยสิ่งของแล้วให้พเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า เราจะไปสู่ที่ชื่อโนนเพื่อค้าขายพระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดประสงค์จะไปสู่ที่นั้นข อ, อนิมนพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจงออกไปจะไม่ลำบากด้วยพิกษาในหนทางภิกษุห้าร้อยรูปฟังคำนั้นแล้วได้เดินทางไปกับพ่อค้านั้นโจนแม้เหล่านั้นได้ข่าวว่าได้ยินว่าพ่อค้านั้นออกไปแล้ว ได้ไปซุ่มอยู่ในดงฝ่ายพ่อค้าไปแล้วยึดเอาที่พักใกล้บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงจัดแจงโคและกเกวียนเป็นต้นสิ้น 2-3 สวันและถวายพิกษาแก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นนิดเดียวตอนพวกโจรให้คนใช้ไปสืบข่าวพ่อค้าพวกโจรเมื่อพ่อค้านั้นล่าช้าอยู่จึงส่งบุรุษคนหนึ่งไปด้วยสั่งว่า เจ้าจงไปเจ้าจงรู้วันออกเดินทางของพ่อค้านั้นแล้วจงมาบุรุษนั้นไปถึงบ้านนั้นแล้วถามสหายคนหนึ่งว่าพ่อค้าจะออกไปเมื่อไหร่สหายนั้นตอบว่าโดยการล่วงไปสองถึงสาวันดังนี้แล้วกล่าวว่าก็ท่านถามเพื่ออะไรที่นั้นบุรุษนั้นบอกแกเขาว่า พวกข้าพเจ้าเป็นโจรห้าร้อยซุ่มอยู่ในดงเพื่อต้องการพ่อค้านั้นฝ่ายสหายกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงไปพ่อค้าจักออกไปเดเร็วทรงบุรุษนั้นไปแล้วคิดว่าเราจักห้ามพวกโจรหรือพ่อค้าดีหนอตกลงใจว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยพวกโจรภิกษุห้าร้รูปอาศัยพ่อค้าเป็นอยู่ เราจะให้สัญญาแก่พ่อค้าแล้วได้ไปสู่สำนักของพ่อค้านั้นถามว่าท่านจะไปเมื่อไรพ่อค้าตอบว่าในวันที่สามกล่าวว่าท่านจงทําตามคําของข้าพเจ้าได้ยินว่าพวกโจรห้าร้อยส้มอยู่ในดงเพื่อต้องการตัวท่านท่านอย่าเพิ่งไปก่อนตอนพ่อค้าถูกโจรสกัด ต้องพักอยู่ในระหว่างทางพ่อค้าท่านรู้ได้อย่างไรบรุษหายเพื่อนของข้าพเจ้ามีอยู่ในระหว่างพวกโจรเหล่านั้นข้าพเจ้ารู้เพราะคำบอกเล่าของเขาพ่อค้าถ้าเช่นนั้นประโยชน์อะไรของเราด้วยการจะไปที่นี้เราจะกลับไปเรือละเมื่อพ่อค้านั้นชักช้า บุษที่พวกโจรเหล่านั้นส่งมาอีกมาถึงแล้วท้ามสหายนั้นได้ฟังความเป็นไปนั้นแล้วไปบอกแก่พวกโจรว่าได้ยินว่าพอค้าจะกลับคืนไปเรือนทีเดียวพวกโจรฟังคํานั้นแล้วได้ออกจากดงนั้นไปซุ่มอยู่ริมหนทางนอกนี้เมื่อพอ้านั้นชักช้าอยู่ โจรเหล่านั้นก็ส่งบุรุษไปในสำนักของสหายแม้อีกสหายนั้นรู้ความที่พวกโจรซุ่มอยู่ในที่นั้นแล้วก็แจ้งแก่พ่อค้าอีกพ่อค้าคิดว่าแม้ในที่นี้ความขาดแคลนด้วยอะไรอะไรของเราก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไม่ไปข้างโนอนไม่ไปข้างนี้จกอยู่ที่นี่แหละดังนี้แล้วไปสู่สำนักของภิกษุทั้งหลาย เรียนว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าพวกโจรประสงค์จะปล้นผมซุ่มอยู่ริมหนทางครั้นได้ยินว่าบัดนี้พ่อค้าจะกลับมาอีกจึงไปซุ่มอยู่ริมทางนอกนี้ผมจักไม่ไปทั้งข้างนนทนทั้งข้างนี้จักพักอยู่ที่นี่แหละชั่วคราวท่านผู้เจริญทั้งหลายประสงค์จะอยู่ที่นี่ก็จงอยู่ ประสงค์จะไปก็จงไปตามความพอใจของตนตอนภิกษุลาพ่อค้ากลับไปเมืองสาวัตถีพวกภิกษุกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกฉันจะกลับอำลาพ่อค้าแล้วในวันรุ่งขึ้นไปสู่เมืองสาวัตถีถวายบังคมพระศาสดานั่งอยู่แล้วตอนสิ่งที่ควรเว้น พระสาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ไปกับพ่อค้ามีทรัพย์มากหรือเมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพวกโจรซุ่มอยู่ริมทางทั้งสองข้างเพื่อต้องการปล้นพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากเพราะเหตุนั้นเขาจึงพักอยู่ในที่นั้นแลส่วนพวกข้าพระองค์ลากเขากลับมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพอค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภยัยเพราะความที่พวกโจรมีอยู่บุรุษแม้ใครจะเป็นอยู่ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรงแม้ภิกษุทราบว่าพสามเป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่แล้วเว้นกรรมชั่วเสียควรดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าวานิโชวะพยังมะกังอปัสสะโทมหัตถโนวีสังชีวิตุกามวะป้าปานิปริวัชเยติบุคคลพึงเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียเหมือนพ่อค้ามีทรับมามีพวกน้อยเว้นทางอันพึงกลัว และเหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่เว้นยาพิษเสียฉนั้นแกอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพยังได้แกอันน่ากลัวอธิบายว่าชื่อว่ามีไยเฉพาะหน้าเพราะเป็นทางที่พวกโจรซุ่มอยู่ท่านกล่าวอธิบายคำนี้ไว้ว่าพอคาผู้มีรั์มามีพวกน้อยเว้นทางที่มีไยเฉพาะหน้าฉันใด ผู้ต้องการจะเป็นอยู่ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรงฉันใดภิกษุผู้บัณฑิตควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยเสียฉะนั้นในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้มาประชุมดังนี้แลเรื่อง มหาธนวาณิชจบ